เป็นหนังสือเป็นหน้ายนะี่สิบเอ็ดตดวน้ำตอนเย็นอุทิศนาทิธานาคาทายโยคน า, มาเมสยอีมินาปุญญกรมเมนาย อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจารย์ยูปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจียตาการทางพ่อแม่แล่พวงญาติสุริโยจันทิมาราชา สุนจันเทราชาคูณวันตานาราปิชาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพรห ม, มามาลาจาอินทราชาพรุ ม, มาณและอินทราชโลกปาลาจาเทวตาทังดวยเทพและโลกบาล ยาโมมิตามนุสาจายมมราชมนุตมีตมาชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองพลานสัตปิสัตตาสุขีหนตูขอให้เป็นสุขสานทุกทั่วนาอย่าทุกทน ปุญญานิปักกาธนิมิบุญผองทีฆาธรรมจงช่วยอำนวยสุขภาภนสุขังจติวิธังเทนดูให้สุขสามอย่างโลนขีปังปาเปถภณมาตังใหนะ้บุญถึงนิพพานอิมินาปุญญากรมเมนะินา ด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทีเซนาจาและอุทิไทยปวงสัติปะหังสุลภิเจวาเราพรันได้ซึ่งการตัดตานหูปาทานาเชธานังตัวตันหาูปาทานเยสันตานหหีนาธัร ม, มา สิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยาธาชาโตภเวภเวถูกทุกพบที่เราเกิดผูชูจิตตังสติปัญญา มีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐ ร, รอมทางความเพียนเลิ้เป็นเครื่องขูดกีเล็บหายมาลาลาพันตุโนกาสรงโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งายกาตุนจากวิริเยสุเม เป็นช่องประทุสรา ย, า, ายทำลายล้างความเยนม็นจมพุทธาธิปะวรนาโธพระพุทธภววรนาชธรรมโมนาโธวารุตตะโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโธปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกหุทโสม สังโคนาโทตโรมะามงโทประสงที่พึงพยองเตศตามานุภาเวนาด้วยอนุภาพนานมาโรกาสังลาพันตุมาอย่าได้ช่องทาสะบุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบกอง มาโรกาสังราพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มานเถิด